ขอให้เราร่วมใจกันอธิษฐานข้าแต่พระเจ้าขอบคุณพระองค์ในบ่ายวันนี้ที่เข้าแา่ทุกคนได้มีโอกาสเข้ามาอยู่จำเพาะพระพักของพระองค์ผมจะทรงที่จะสถิตอยู่ท่ามกลางข้าแต่ทุกคนด้วยในการเผยพระว จ, จะนะในบ่ายวันนี้ที่จะเป็นประโยชน์ให้กับทุกทุกคนที่จะนําไปปฏิบัติใช้ในการทําภารกิจของพรงะองค์ในในการใช้ชีวิตต่อไปข้าแต่พระเจ้าขอมอบเวลานี้ไว้กับพระองค์ด้วยในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมน หันไปหาคนทางซ้ายทางขวาแล้วยิ้มให้ดีไหมคะยิ้มให้กันหน่อยนะคะค่ะถ้าจะพูดถึงการให้นะคะมีหลายอย่างนะคะเนาะให้รอยยิ้มนะคะเมื่อกี้เนาะที่ข้าพเจ้าได้บอกให้คําพูดหวานหวานนะคะให้สิ่งของให้ทรัพย์สินเงินทองให้กําลังอยู่ที่แต่ละคนเลือกที่จะให้อย่างไหนนะคะ อย่างเช่นตัวอย่างคนคนนี้นะคะเดี๋ยวเราดูคลิปวิดีโอนี้ด้วยกันนะคะว่าเขาได้ให้อะไรนะคะให้แล้วได้อะไระะเปิดคลิปเลยคะ่ะคลิปให้แล้วได้อะไรเดี๋ยวรอสักครู่นะคะ เราชอบถามกันว่าให้แล้วได้อะไรตอนนี้ป้าอยู่ปสามนะคะตัวยงยงหัวหยิกๆยกะคะ่ะชอบเต้นบัลเล่ต์มากๆค่ะตอนนี้ป้าหมออยู่มสีนะคะที่โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัยคะ่ะก็ไปเรียนต่อที่เยอรมันค่ะเรียนแพทย์ค่ะรูปนี้ก็เป็นรูปที่รับปริญญาเอกป้าหมอแต่งงานที่เยอรมันนี่ลูกชายตอนนี้เป็นวิศวกรนะคะ นี่คือลูกๆเป้าหมอเหมือนกันค่ะเราเป็นครอบครัวใหญ่แล้วเราช่วยกันปลูกผักไว้รับประทานเองนะคะแล้วก็ขายมันได้ได้เสือ่อแล้วก็เด็กๆทุกคนเราจะแบ่งหน้าที่ให้ช่วยกันดูแลสวนผักค่ะถ้าป้าอยู่ป้าก็ทําเหมือนกับที่เด็กๆทำอะคะ่ะ โรงเรียนก็จะต้องมาช่วยทําขนมด้วยนะคะเราก็ได้สอนให้เด็กๆได้รู้จักเรื่องความรักเรื่องการให้นะคะและรู้จักหน้าที่อะคะ่ะพายก็เราก็ช่วยกันทํานะคะอะไรที่เราทําได้เราก็ทําหมดนะคะมันบทครับมันบทอะนี่ครับะะป้าหมอชอบทํามันบทให้เขาทานคะ่ะแล้วก็เป็นของโปรดของเด็กๆทุกๆุกกนเลยคะ่ะ ถ้าอหิวกลับมาบ้านตอนดึกๆะครับป้าหมอเขาจะเตรียมกับข้าวไว้บนโต๊ะแล้วก็แปะป้ายชื่อนะครับว่าเป็นของใครมีเพื่อนที่บอกด้วยว่าเธอบ้าไปแล้วเหรอมาทำตรงนี้ทำไมไม่อยู่สบายๆเพื่อหมอทำเพราะอะไรเลยครับ เขก็คิดว่าเด็กๆทุกคนไม่ได้ต้องการแต่แค่อาหารหรือของเล่นนะคะเขามีแทงในจิตวิญญาณของเขาที่เขาต้องการเติมเต็มความรักนะคะเมื่อเขาได้รับความรักนี้อย่างเต็มบริบูรณ์เขาสามารถที่จะรักคนอื่นอย่างไม่มีข้อแม้ต่อไปด้วยได้แล้วรักผู้อื่นเหมือนรักตัวเองได้ค่ะเวลาผมออกไปข้างนอกเนี่ยหรือว่าเจอคนที่ต้องการความช่วยเหลือนี่ยผมก็มักที่จะ อยากที่จะช่วยเขาผมรู้สึกว่าผมเป็นแบบนั้นเวลาเขาเจอคนอื่นแบบที่ทํางานมีคนเข้ามาใหม่เนี่ยค่ะเป็นต่างด้าวอะไรเงี้ยเขาก็จะคอยช่วยเหลือเอาเบาะที่นอนที่เราไม่ได้ใช้แล้วอย่าเงี้ยวันลุ่งขึนก็รีบแบบเอาไปให้เลยเขาบอกน่าสงสารดูแลน้องให้ความรักน้องเหมือนที่พ้าหมอให้เราแบบกลับมาช่วยดูแลน้องที่บ้านแล้วก็กลับมาทําทุกๆสิ่งที่ป่อหมอทําให้กับหน้วยทำ กลับมาทำให้กับน้องๆแล้วก็ป้าหมอค่ะช่วยดูแลบ้านช่วยถอนหญ้าให้ป้าหมอครับ วันนี้นะคะก็คือชีวิตของแพทย์หญิงดรเคลียวพันธ์นะคะสุรพันธ์หรือทุกคนนะคะมักจะเรียกว่าป้าหมอนั่นเองนะคะท่านเป็นผู้ก่อตั้งมู ล, ลนิธิชัยพฤกษ์นะคะตั้งแต่ปี2528นะคะดูแลเด็กกำพร้าแล้วก็เด็กด้อยโอกาสมีเด็กที่จบไปแล้วนะคะจำนวน จำนวนมากนะคะและปัจจุบันที่ท่านดูแ ล, แลอยู่ก็ประมาณร้อยกว่าคนนะคะถ้าอยากเจอท่านนะคะสามารถเจอได้ตอนตอนวันอาทิตย์ตอนเช้านะคะภาคนิมัสการภาคปกตินะคะสามารถเจอได้นะคะป้าหมอได้ให้ทุกๆอย่างแ ก, ก่เด็กๆนะคะได้แบ่งปันรอยยิ้มแบ่งปันความรู้แบ่งปันประสบการณ์แล้วก็แบ่งปันความรักนะคะทุกอย่างที่ป้าหมอทำนะคะเพราะว่าป้าหมอมีองค์พระเยซูคริสต์นะคะเป็นแบบอย่างในชีวิตก็ <c oughs> ภาวจนะในบ่ายวันนี้นะคะที่ข้าพ เ, เจ้าอยากจะแบ่งปันอยู่ในพระธรรมฟิลิปปีที่เราได้อ่านไปเมื่อสักครู่นะคะฟิลิปปีบทที่4ข้อที่14ถึง20บนะคะเป็นตอนที่อาจารย์เปาโลได้เขียนถึงชาวฟิลิปปีนะคะได้มีส่วนสนับสนุนเงินขณะที่เปาโลยังติดทุกข์อยู่นะคะลักษณะของคริสตจักรเมืองฟิลิปปีนะคะเป็นคริสตจักรที่มีคนทั้งมีทั้งคนรวยนะคะคนจนมีทั้งคนที่มีการศึกษา แล้วก็คนไร้การศึกษามีคนหลากหลายรูปแบบนะคะแต่แต่ละคนเนี่ยมีความมีความสามารถที่แตกต่างกันออกไปแต่พวกเขาก็สามารถที่จะอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุขนะคะและจุดเด่นอีกอย่างหนึ่งนะคะที่เป็นแบบอย่างก็คือการให้นะคะการให้เวลานั้นมีมีหลายคริสตจักรนะคะที่เปาโลบุกเบิกหรือว่าก่อตั้งขึ้นรวมทั้งคริสตจักรโคลินนะคะคริสตจักรโคลินเป็น คิดจักรที่ใหญ่พอสมควรนะคะแต่ใหญ่กว่าฟิลิปปีด้วยซ้ำแต่มีเพียงคิดจักรฟิลิปปีเท่านั้นนะคะที่มีส่วนในการที่มีส่วนในรายรับรายจ่ายของอาจารย์เปาโลนะคะผลของการให้ทำให้ชีวิตของผู้ให้เนี่ยเป็นชีวิตที่สง่างามนะคะ ข้าพเจ้าอยากจะแบ่งปันอยู่สามอย่างด้วยกันนะคะการให้เพื่อพันธกิจของพระเจ้านะคะการให้เพื่อพันธกิจของพระเจ้าในฟิลิปปีบทที่สี่ข้อที่สิบสี่ถึงสิบห้าได้บอกว่าถึงกระนั้นก็เป็นความกรุณาของท่านที่ได้ร่วมทุกข์กับข้าพเจ้าและพวกท่านชาวฟิลิปปีก็ทราบอยู่แล้วว่า การประกาศข่าวประเสริฐในเวลาเริ่มแรกนั้นมาตอนเมื่อข้าพเจ้าออกไปจากแคว้นมาซิโดเนียไม่มีคริสตจักรใดมีส่วนร่วมกับข้าพเจ้าในรายรับรายจ่ายเลยนอกจากพวกท่านพวกเดียวเท่านั้นเปาโลได้พูดกับคนในคริสตจักรว่าเป็นความกรุณาที่พวกเขาได้ร่วมทุกขกับท่านในงานของพระเจ้าเปาโลไม่ได้พูดเอาอกเอาใจพี่น้องในเมืองฟิลิปปีนะคะแต่พูดเพราะเห็นหัวใจแห่งการให้เกิดขึ้นในคริสตจักรที่นั่น ทรัพย์สินเงินทองนะคะถือเป็นถือว่าเป็นชีวิตของคนใครที่จะให้เนี่ยต้องให้จากใจจริงๆนะคะในกาลาเทียบทที่หนึ่งข้อที่10ได้บอกว่าบัดนี้ข้าพเจ้ากำลังพูดเอาใจมนุษย์หรือข้าพเจ้าทำให้เป็นที่ชอบพระทยัยพระเจ้ามิใช่หรือ ข้าพเจ้าอุตส่าห์ประจบประแจงมนุษย์หรือถ้าข้าพเจ้ากําลังประจบประแจงมนุษย์อยู่ข้าพเจ้าก็ไม่ใช่ผู้รับใช้ของพระเจ้านะคะเปาโลได้บอกว่าในการประกาศข่าวประเสริฐของท่านนั้นไม่มีคริสตจักรใดมีส่วนร่วมเลยนอกจากฟิลิปปีนะคะทางทั้งที่คริสตจักรอื่นก็ใหญ่โตแล้วก็ร่ํารวยกว่าแต่ก็ไม่เคยมีส่วนในข่าวประเสริฐเลยนะคะการมีส่วนในงานของพระเจ้าสําคัญที่สุดนะคะสำหรับคนของพระเจ้านะคะเวลาที่ เราได้มีส่วนในงานของพระมหากษัตริย์เรารู้สึกว่าเราได้รับเกียรติใช่ไหมคะและเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมเนาะการมีส่วนในงานของกษัตริย์ในโลกถือว่ามีเกียรติสูงแล้วพระเจ้าของเราเป็นกษัตริย์เหนือกษัตริย์นะคะเกียรติของผู้ที่มีส่วนในงานของพระองค์ย่อมมากมายอย่างแน่นอนนะคะให้เรามีส่วนในพันธกิจของพระองค์ไม่ว่าจะเป็นการให้เวลาให้กาลังหรือทรัพย์สินนะคะ แต่ว่าเราต้องให้ด้วยใจด้วยความเต็มใจนะคะต้องให้ด้วยความเต็มใจการให้ของคริสตจักรเมืองฟิลิปปีคือให้เพื่อผู้รับใช้ของพระเจ้านะคะให้เพื่อผู้รับใช้ของพระเจ้าไม่เพียงแต่มีส่วนในงานไม่มีส e so ่วนไม่ไม่เพียงแต่ว่ามีส่วนในงานข่าวประเสริฐเท่านั้นแต่ยังให้เพื่อมีส <Soci canvi. S 1> ่วนในรายรับรายจ่ายของคริสตจักรและผู้รับใช้ของพระเจ้าด้วยนะคะในยุคแรกเปาโลบุก บุกเบิกแล้วก็ก่อตั้งลําพังคริสตจักรเนี่ยไม่สามารถดูแลผู้รับใช้ของพระเจ้าได้อย่างเต็มที่ฉะนั้นเปาโลจะต้องทํางานหาเลี้ยงชีพไปด้วยรับใช้พระเจ้าไปด้วยนะคะและก็มีเพียงคริสตจักรฟลิปีเท่านั้นที่มีส่วนในรายรับรายจ่ายของท่านนะคะตัวไปไม่ได้แต่ว่าส่งเงินไปช่วยนะคะ ในฟิลิปปีบทที่4ข้อที่14บอกว่าถึงกระ น, นั้นก็เป็นความกรุณาของท่านที่ได้ร่วมทุกข์กับข้าพเจ้าเปาโลถือว่าการให้ของคริสตจักรฟิลิปปีเป็นความกรุณาของพวกเขาที่ได้ร่วมทุกข์ร่วมสุขกับท่านคะให้ด้วยความเต็มใจไม่ใช่ด้วยความสงสารคะให้ด้วยใจรักด้วยใจเมตตาคะให้ด้วยใจผูกพันกับพระเจ้า ผูกพันกับผู้รับใช้ของพระเจ้านะในสดุดีบทที่91ข้อที่14ได้บอกว่าเพราะเขาผูกพันกับเราด้วยความรักเราจะช่วยกู้เขาเราจะป้องกันเขาไว้เพราะเขารู้จักนามของเรานะให้เพื่อที่จะอยากร่วมทุกข์ไม่ใช่ร่วมสุขอย่างเดียวนะคะการให้ไม่จำเป็นต้องมีอย่างเหลือเฟือแล้วเราค่อยให้แต่ว่าเราสามารถแบ่งส่วนที่เรามีอยู่แล้ว ให้ได้นะคะให้ต้องให้ให้ครบนะคะในฟิลิปปีบทที่สี่ข้อที่สิบได้บอกว่าข้าพเจ้าได้รับครบและมากกว่านั้นอีกข้าพเจ้าก็อิ่มอยู่เพราะได้รับของจากเอปาโฟดีทัสซึ่งพวกท่านส่งไปให้เป็นกลิ่นหอมเป็นเครื่องบูชาที่ทรงโปรดและพอพระทัยของพระเจ้าถวายพระเจ้านะคะต้องถวายให้ครบและพระเจ้าจะประทานให้ครบตามพระสัญญาของพระเจ้านะคะ ในมาราคีบทที่สมข้อที่10ถึง11ได้บอกว่าพระเจ้าจอมโยธาตรัสว่าจงนำท่สางเต็มขนาดมาไว้ในคลังเพื่อว่าจะมีอาหารในในนิเวศของเราจงลองดูเราในเรื่องนี้ดูทีหรือว่าเราจะเปิดหน้าต่างในฟ้าสวรรค์ให้เจ้าและเทพอรอย่างล้นไหลมาให้เจ้าหรือไม่ เราจะขนาบตัวที่ทำลายให้แก่เจ้าเพื่อว่ามันจะไม่ทำลายผลแห่งพื้นดินของเจ้าและผลอ ง, งุ่นในไรนาของเจ้าจะไม่ร่วงพระเจ้าจอมอยยธาตรัส ด, ดังนี้แหละะนอกจากการถวายเพื่อพันธกิจของพระเจ้าแล้วถวายเพื่อผู้รับใช้ของพระเจ้าเราต้องถวายด้วยท่าทีที่ถูกต้องอต้องถวายด้วยท่าทีที่ถูกต้องและเราจะได้รับพระพรจากพระเจ้า ในสองโครินบทที่9ข้อที่7จถึงแได้บอกว่าทุกคนจงให้ตามที่เขาได้คิดคิดหมายไว้ในใจมิใช่ให้ด้วยนึกเสียดายมิใช่ให้ด้วยการฝืนใจเพราะว่าพระเจ้าทรงรักคนนั้นที่ให้ด้วยใจยินดีและพระเจ้าทรงฤทธิ์อาจประทานของดีทุกสิ่งอย่างอุดมแก่ท่านทั้งหลายเพื่อให้ท่านมีทุกสิ่งทุกอย่างเพียงพอสําหรับตัวเสมอทั้งจะมีสิ่งของบริบูรณ์สําหรับงานที่ดีทุกอย่างด้วย ผลของการให้อย่างถูกต้องคือจะได้รับการอวยพรจากพระเจ้าแต่ว่าพรจากพระเจ้าจะไม่เทลงมาถ้าเราถวายด้วยท่าทีที่ผิดคะและภัยจะมาถึงตัวเราอย่างเช่นคาบิคาอินกับอาเบลนะคะพระเจ้าพอภพัยในของอาเบลมากกว่าคาอินเพราะว่าอาเบลเขาถวายด้วยความเต็มใจนะคะและในเรื่องของ อาณเนียกับซาฟิลาในกิจการบทที่ห้านะคะเราเคยอ่านใช่ไหมคะอาณาเนียกับซาฟิลาเขาได้ขายที่ดินนะคะขายที่ดินแล้วต้องนำเงินส่วนนั้นไปรวมการเป็นกองกลางนะคะแต่แต่ว่าทั้งสองคนได้ยักยอกเงินนั้นไว้นะคะให้พระเจ้าแค่ครึ่งเดียวสุดท้ายแล้วผลก็คือความตายนะคะอาณเนียกับซาฟีลานะคะเขาได้ยักยักยอกเงินของพระเจ้านี่คือ การถวายที่ผิดนะคะแต่ถ้าเราถวายอย่างถูกต้องก็จะได้รับพระพรตามพระสัญญาของพระเจ้านะคะพระเจ้าทราบดีว่าชีวิตของเราขาดอะไรนะคะเราต้องการอะไรและจำเป็นอะไรมากที่สุดในชีวิตเราอาจจะไม่ได้ขาดแคลนเงินแต่อาจจะขาดคนเข้าใจขาดสติปัญญาไม่ว่าเราจะขาดสิ่งใด น, นะคะพระเจ้าจะประทานสิ่งสารพัด ทุกอย่างให้แก่เรานะถ้าเราถวายให้กับพระเจ้าอย่างถูกต้องและศักด์สิ้นใน2โครินธ์บทที่9ข้อที่8ได้บอกว่าและพระเจ้าทรงฤทธิ์อาจประทานของดีทุกอย่างทุกสิ่งอย่างอุดมแก่ท่านทั้งหลายเพื่อเพื่อให้ท่านมีทุกสิ่งทุกอย่างเพียงพอสำหรับตัวเสมอทั้งจะมีทุกสิ่ง ของบริบูรณ์สาหรับงานที่ดีทุกอย่างด้วยนะคะพระพรของพระเจ้าไม่เพียงแต่ดูแลความขาดแคนของเราเท่านั้ น, นะคะแต่ยังให้เรามากเพื่อเราจะแจกจ่ายให้กับผู้อื่นได้มากะคะคนของพระเจ้ายิ่งให้ก็ยิ่งได้รับะคะยิ่งแจกจ่ายก็ยิ่งมีเหลือเฟือนะคะสุดท้ายนี้นะคะข้าพเจ้าอยากจะให้ดูคลิปนี้ด้วยกันนะคะคลิปที่สองนะคะยิ่งให้ก็ยิ่งได้รับ อาจารย์อูค่ะให้เราตั้งใจดูคลิปนี้ดีๆนะคะ ใจใช่ไหมคะหรือว่าจะให้ใชายอีกหนึ่งรอบค่ะก็อยากจะหนุนใจพี่น้องนะคะว่าให้เราที่จะให้ผู้อื่นด้ยวยความเต็มใจนะคะแล้วก็เมื่อเราให้เราก็จะยิ่งได้รับนะคะขอพระเจ้าอวยพร น, นะคะให้เราร่วมใจกันอธิษฐาน ขาแต่พระเจ้าขอบคุณพระองค์ในบ่ายวันนี้ที่ทำให้ทุกคนได้มีโอกาสมานมัสการพระองค์ร่วมกันขอบคุณพระองค์สำหรับพระวจนะในบ่ายวันนี้ที่พระองค์ทรงสอนให้ข้าพุทธทั้งหลายรู้จักที่จะให้ผู้อื่นด้วยความเต็มใจข้าแต่พระเจ้าขอบคุณพระองค์สำหรับพระวจนะของพระองค์ขอให้พระวจนะของพระองค์ในบ่ายวันนี้ที่จะหนุนนําชีวิตของพี่น้องทุกๆคนที่จะนําไปปฏิบัติใช้ในชีวิตประจําวันต่อไปข้าแต่พระเจ้าขอขอบพระคุณและขอมอบทุกคนไว้กับพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมน